ก็จำเป็นต้องต่อสู้กันต้องอาศัยความอดความทนอาศัยสติเพ่ง<ม>กำหนดเพ่งเข้ามาภายในอาศัยอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนไ g r a และอธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่ตนได้กระทํามา เพื่อมาเป็นกำลังใจเนี่ยต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้มาเป็นกำลังใจเพื่อให้ใจอาฐานเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหันติตะโพทัปสิโน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 จนถึงมาภาวนาเจริญสมถะวิปัสนาอันนี้ก็ยังมีอานิสงส์สู่ขันติความอดทนไม่ได้ความอดทนนี่นับว่าเป็นอานิสงส์อันยอดเยี่ยมแน่นอนทีเดียวการเจริญ <c oughs>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 นี่เป็นทางหลุดพนะ้นจากกิเลสตัณหาได้ mm hmm. ละอะไรก็มาละอยู่ในปัจจุบันนี้จะไปละอยู่ในอดีตอนาคตนั่นไม่ได้ mm hmm. แต่นั่นแหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าใครขาดความอดความทนแล้วมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจไว้บทนี้นะ ดันั้นเราต้องสร้างความอดทนนี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้อดไม่คิดอดไม่ส่งเสริมความคิดอันท่งกออกไปข้างนอกด้วยอำนาจแห่งปัญหาความทะเยอทยานอยากบ้างด้วยอำนาจแห่งความโกรธไม่พอใจ ในบุคคลหรือในสิ่งใดๆก็ดีก็ไม่ไม่ไปตามมันอนะ่ะไม่ไปตามความคิดความหมายนั้นหรือว่าเกิดทุกเวทนาขึ้นในร่างกายอันนี้อย่างนี้เห็นว่าการเพ่งอยู่ในร่างกายอันนี้นะมันอึดอัด เพราะเวทนามันสัมผัสกับเวทนาอยู่ก็จึงได้ส่งจิตออกไปข้างนอกนู่นไปเพ่งดูสิ่งอะไรต่ออะไรเพื่อจะให้มันลืมทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในกายนี้อย่างนี้นะอัง น, นั้นไม่ถูกเราจะไปหนีทุกนันไม่ได้แมว่าจะส่งใจไป ฟ้าคว้าแดนดินที่ไหนก็ตาม่ะทุกมันก็ตามไปอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ ล, ล, ล, ลดลาวาศอกให้บุคคลผู้มีความเห็นผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้กําหนดรู้เท่าอันทุกนี่นะ่ะไม่ไม่ใช่ทรงสอนให้ละมันละไม่ได้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 ดวงจิตนี่มันยังอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้อยู่นี่ถ้าเราไม่กำหนดรู้เท่ามันก็เป็นทุกข์เลยจะฆ่าตัวตายเสียเผื่อว่ามันจะได้หนีจากขันธ์ห้าอันนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนมันเอียงไปในทางหองความโกรธความพยาบาทไปเสียโกรธตัวเองพยาบาทตัวเอง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 จิตใจยังคล่องอยู่ในโลกอันนี้อยู่คลองอยู่ในขันห้านี่บางข่าวผลยินดีชื่นชมกบมันเวลาขันห้ามันปกติสุขโรคไยไม่เบียดเบียนก็ล่าเรื่องบันเทิงชื่นชมยินดีกับขันห้าอันนี้เมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปลโพนลงไปก็ไม่พอใจกับขันห้านี้อีกแล้วันนี้นะ เดือดร้อนใจขึ้นมาแล้วเมื่อเสวยทุกขเวทนา ม, มากๆเขาก็บ่นอยากจะฆ่าตัวตายเสียให้มันรู้แล้วรูรอดจะไม่ได้เสวยทุกขเวทนาอันนี้ต่อไปนี่ยมีคนบางคนบางพวกนี่มีความเห็นอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นน่ะมันถึงฆ่าตัวตายกันได้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 ในวันที่พระ อ, องค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พนิพพานนั่นเมื่อไปถึงแท่นบันลังของพวกมันลักษัตร์เมืองกุสินารา น, นั่นแล้วก็ทรงรับสั่งให้สงทั้งหลายจัดแจงตั้งอาจที่นอนอันนั้ น, นให้มันถูกทาง ทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ทั้งหลายทำลงไปตกชำระทำความสะอาดแท่นบรรลังอันนั้นแล้วก็หันไปให้มันถูกทางพอเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับขึ้นสู่บนบรรลังอันนั้นแล้วก็ทรงสีหสญาติคือนอนตะแคงข้างขวา เอาเท้าซ้ายวางทับบนเท้าขวาแล้วก็เอาวางแขนทาบไปตามพระโอรกายนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พลิกไปทางไหนมาไหนเลยประทับ นอนตะแคงข้างขวาอยู่ท่าเดียวนั้นนะจนตลอดคืนจวนสว่างจึงได้รับผลเข้าสู่พระนิพพานนั่นแสดงว่าพระไทยของพระองค์น่ะเข้มแข็งอยู่เหนือทุกขเวทนาทั้งหมดเลยถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญมันจะไปนอนตะแคงข้างเดียวอยู่นั่นตลอดคืนไปได้ที่ไหนะ คนธรรมดาสามัญเมื่อเวลาธาตุีขันห้ามันจะแตกแกระดับนี่มันกวนกังวายต้องพลิกไปพลิกมาต้องโอดควรวนต่างๆนานาอยู่งั้นแหละนั่นแสดงว่าจิตของผู้นั้นไม่มีความอดทนต่อทุกขเวทนาเลยไม่รู้เท่าทุกขเวทนาเลยจิตใจวันไวไปตามทุกขเวทนา เพราะฉะนั้นจึงได้แสดงออกท้งอาการกายวันไหวไปมานั่นนี่แหละในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนสามัญธรรมดา ท, ทั่วไปก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันเมื่อเวลาร่างกายสังขารอันนี้เนี่ยมันสุดโทมวันไหวไปมานั่น บุตุชนคนธรรมดากายก็วันไว้จิตก็วันไว้พระพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายมันวันไว้ตั้งแต่อัตภาพร่างกายแต่จิตของพระองค์ไม่วันไวน้มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์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 นานเข้ามันก็เข้มแข็งขึ้นเองเองในจิตใจนี้นะมันมันเกิดจากการฝึกขัดทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ฝึกขัดแล้วปล่อยให้มันอ่อนแอไปตามทุกเวทนามันก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกอันจิตนี้นะถ้าพูดตามสภาพควาพพมจริงของจิตแล้ว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 แต่หากอาศัยธาตุขันธ์อันนี้แหละอยู่แต่หากว่าไม่ติดไม่ยึดธาตุขันธ์อันนี้อยู่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบจิต <trajectory> ของพระอาราหันต์ทั้งหลายว่า <study> เหมือนอย่างน้ำกับใบบัวใบบัวนั้นอาศัยน้าเกิดจากน้ำนั่นแหละมาแต่ว่าใบบัวหักไม่ติด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 ของพระอระหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบใบบัวกับน้ําให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็หมายความว่าใบบัวนั้นน่ะมีน้ําหล่อเลี้ยงไว้อืมแต่ว่าน้ําไม่ได้ซึมเข้าเข้าสู่ใบบัวใบบัวนั้นมีน้ําหล่อเลี้ยงไว้กว็จึงสดชื่นอยู่อืม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 ทีนี้พอเหตุปัจจัยของขันหานี่มันหมดลงขันหานี่มันก็แตกสลายลงไปดวงกิจของพระอระหันต์ทั้งหลายก็ดับผันเข้าสู่พานิพานไปก็หมดเรื่องกันไม่ต้องไปท่องเที่ยวเกดแก่เจ็บตายในภพโดยภพใหญ่ต่อไปอีก อันนี้แหละเพิ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเพราะว่าสำเร็จอราหันแล้วจิตนี้จะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ในขันธ์ทางห้าอันนี้เลยหามีได้มันก็ต้องสัมผัสอยู่นั่นแหละไม่ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาแต่เวลาที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละ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 ได้เสวยทุกขเวทนาในเวลาที่จิตเข้าสู่นิโรธสมาบัตินั้นนะขั้นเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาก็มาสัมผัสกับขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจเมื่อ บุคคลใดยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้บุคคลนั้นก็ต้องได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาเหลือจิตใจก็ต้องวันไหวไปตามทุกขเวทนาอยู่ก่อนต่างแต่ว่าวันไหวมากหรือวันวันไหวน้อยกลัวการท่านั้นแหละท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้เบาวางออกไปมาก ความวันไหวต่อทุกเวทนาของจิตของท่านผู้นั้นก็น้อยลงอืมความตั้งมั่นนั้มากกว่าอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดยังมีกิเลสมากอยู่อย่างนี้จิตใจก็ย่อมวันไหวต่อทุกเวทนานั้นมากอืเท่านั้นแหละดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะ ก็จงพากันตั้งอกตั้งใจทำความภาคเพียนโน้นมกระแสจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกแล้วมาเพ่งกันอยู่ภายในนี่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 มันจะส ง, งบลงได้ก็ต่อเมื่อเราเพ่งดูทุกขเวทนานั้นอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยเพ่งเอาจนว่ามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าไม่มีใครเป็นทุกข์เราไม่มีอยู่ในที่นี้เขาก็ไม่มีอยู่ในที่นี้เลยหมายความว่าเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนานั้นเลย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 เรามาฝึกกันนะการที่จิตใจมันจะเป็นไปในธรรมนองอย่างที่ว่ามานี้ได้มันเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆลอยๆไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปเองนะไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นไปเองเลยมันจะเป็นไปได้ก็เพราะเราฝึกหัดต่างหัก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 การบำเพ็ญทางจิตใจนี่ถ้าขาดความอดทนเสียแล้วเป็นไปไม่ได้จริงๆนี่โซ่ อ, so, อิทธิพลของกิเลสตัณหาอาวิชชาไม่ได้เลยนะเพราะว่าไายกิเลสตัณหาบาปประท ร, รมนั่นมันไม่ประสงค์อยากจะให้ใจนี้สงบลงเลยนะี่เพราะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็จะพ้นจากอำนาจของมันนะดังนั้นแนะ่ะมันจึงต้องรบ ก, กวนนะ่ะ ม, มันมีอิทธิพลเท่าไรมีกำลังอย่างไรมันก็รวบรวมกำลังอะ่ะต้านทานเนะี่ยขัดขวางไม่ให้จิตมันสงบลงได้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดมีความอดทนเป็นเครื่องประดับเป็นฐานรองรับดวงจิตนี้แล้ว ก็ย่อมเอาชนะมารคือกิเลสบาปประธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ถึงชนะไม่ได้เด็ดขาดก็เรียกว่าชนะทุกขเวทนาอย่างหยาบๆหรือว่าชนะตัญหาอย่างห ย, ยาบนี่ได้คือตัญหาอย่างหยาบๆนี่มันต้องการมันไม่ต้องการอยากจะให้จิตนี้สงบลงไปมันขัดขวางไว้ อันนี้เรียกว่าตัณหาอย่างหยาบๆมันอยากคิดส่งสายออกไปข้างนอกนู่นมันเข้าใจว่าเมื่อส่งใจออกไปข้างนอกแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์อืมันจะสบายใจขึ้นอย่างนี้ไม่ควรถือมั่นว่าของเราของเขานี่ปัญญามัน วินิจัยดูแล้วมันรู้ทัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็สอนจิตไม่ให้ยึดไม่ให้ถือสอนจิตให้ปรงให้วางไว้ตามสภาพเนี่ยเรียกว่ากำลังขันติกับกำลังปัญญานะ่ะมันเก็ะพอๆกันเลยอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าขาดกำลังของขันติความอดทนแล้ว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 ดังนั้นผู้ใดมีความอดทนนะอดกั้นไม่ไปตามความอยากนั้นเพรรู้ว่าถ้าหากว่าไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องล่วงศีลล่วงวินัยอ mm. ก็ต้องมีบาปมีโทษติดตัวอย่างนี้เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรอนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความอดกั้นทนทานนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งของศีล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 กิเลสมันผลักดันให้จิตคิดส่านไปต่างๆนานาเนือนะมีฉะ่นั้นมาก็กิเลสมันก็เอาครอบงากายทำให้เกิดความง่วงเหงาวหาวนอนขึ้นมาครอบงมจิตใจไม่ไม่พัถนาจะให้จิตนี่คิดนึกอะไรเลยเให้ให้จิตนี่มีแต่หยุด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 ของพระพุทธเจ้าได้ในเวลาเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างว่านั่นแหละไม่ทำความอ่อนแอไปตามอานาจแห่งความง่วงเหงาหาว น, นเหล่านั้นนะนี่เพราะฉะนั้นยังว่าความอดทนนี่มันเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยทีเดียวเลยอดกั้นทนทานละความชั่วอดกั้นทนทานก็บทำความดี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 ดังนั้นเราจรึงต้องได้อาศัยคุณธรรมต่างๆเข้าช่วยเป็นกําลังใจสุดท้ายก็ขันติธรรมหละเป็นกําลังใจให้พากันเข้าใจเหตุผลดังกล่าวมานี่เมื่อผู้ใด เ, เข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมจะพอใจกระทําตามเนี่ยออืพอใจภากเพียรพยายามเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพลียนพยายามเราไม่หัดอดหัดทนต่ออำนาจของกิเลสอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไปเรื่อยๆแหละ <S <S โดยเฉพาะมเมื่อมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสยำหยาบอันนั้นแหละมันก็ไปทำความชั่วใส่ตัวเองในวันนี้นะมันก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปเพื่อพึติผิด ในการไปชอบเก่ามูสาวาดหลอกลวงชอบโกงเอาสมบัติพู อ, อื่นมาเป็นของตนไปชอบดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาของเศษติดไห้โทษต่างๆเข้าไปนี่แหละเมื่อหากว่าไม่มีคุณธรรมยับยัง้งจิตใจไว้ได้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 มันก็ยังไม่สำเร็จเป็นบาปอากุศลยังยังความคิดเฉยๆนี่เนี่ยยังจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าความคิดคิดไปในทางบาปอากุศลมากๆเข้าไปแล้ว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 วิธีละบาปในทางพระพุทธศาสนานะใหพึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเมื่อละบาปไม่ทำบาปแล้วันไม่ทำความดีอย่างนี้ไม่ได้ซัก <c oughs> หน่อยบาปมันก็เกิดขึ้นมาของเก่านั่นแหละเหมือนแผ่นดินนี่นะ เมื่อได้หญ้าออกไปแล้วไม่ปลูกพืชต่างๆที่มีผลลงไปอ่ะไม่นานแนละพวกหญ้าพวกพืชต่างๆที่มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นั่นอะมันก็เกิดขึ้นมาแทนนะหนาทึบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละที่ถ้าบุคคลได้หญ้าออกไปแล้วปรับดินให้ดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไป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 พืชพันธุ์เหล่านั้นมันก็งอกงามเจริญขึ้นผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกผู้ฟังนั้นให้ได้บริโภคได้จับจ่ายขายไปได้เต็มที่ <c oughs> อันนี้ฉันใดก็ออย่างนั้นแหละ <c oughs> เมื่อเรามีศรัทธามีวิริยะความเพียรพยายามที่จะ ฝึกขนกายวาจาใจนี้ให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ขจัดกิเลสป่าประธรรมอันนี้ออกจากกายวาจาใจให้ได้ mm hmm. เมื่อเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วนะ mm hmm. มันก็ต้องดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะ mm hmm. เมื่ออธิษฐานใจละความชั่วที่ตนเคย ทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้นะอ้าวก็อธิษฐานใจทําความดีเข้าใจเส้นย่างว่าเมื่อเราอธิษฐานใจละความโกรธออกไปอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นแทนความโกรธนั้นอย่างนี้เมื่อเราหมั่นเจริญเมตตากรุณาไปบ่อยๆเข้า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 ผู้ดใดเข้าใจโดยแก่แจ้งและลงมือปฏิบัติตามนี่เป็นของดีจริงๆได้ผลดีจริงๆล่ะไม่เสียเวลาที่ลงมือปฏิบัติอกแม้ว่าจะทุกข์ยากลําบากอย่างไรเราก็เอาทุกข์นั่นแหละเป็นทุนเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่นั้นแหละมันจะได้รับความสุขเป็นผลเลยแบบนี้ ความทุกข์ใจมันก็จะค่อยเบาบางไปสงบระ ง, งับไปแต่ทุกข์ทางกายนี่มันมันไม่สงบระ ง, งับไปได้หรอกเมื่อร่างกายนี้ยังไม่แตกไม่ดับทำลายลงมันก็ต้องเป็นไปอยู่ตามเรื่องเข้ามาดันแต่ว่าทุกข์ใจนั่นนะมันเบาบางลงหมายความว่าอย่างนั้น <c oughs> ใอ้พึ่งพากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่ง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 บางเอินไปกระทำความชั่วบางสิ่งืองอย่างเข้าอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็ยอมรับผิดไปยอมรับผิดไปแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะเช่นอย่างระเบียบของพระภิกษุอย่างนี้พอรู้ว่าตนได้ร่วงสิกขาบท ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิกขาบทที่ไม่มีโทษอย่างร้ายแรงฉะนั้นล่ะพอรู้ตัวแลว้วก็รีบไปขอสารภาพกับหมู่เพื่อนทิกษูกองค์ใดองค์หนึ่งเสียว่าผมได้ล่วงสิกขาบทข้อนั้นข้อนั้นโดยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้นะผมขอแสดงต่อท่าน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 เป็นอย่างนั้นแม้เคิงหัดก็เหมือนกันเนี่ยผู้ใดทำความชั่วหรือว่าล่วงศิลล่วงทำที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั่นแล้วแล้วก็กรบความผิดของตนไว้อยู่นั้นไม่ยอมสารภาพความผิดต่อใครเลยไม่ปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะละความผิดอันนั้นอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันก็ติดตามไปอยู่นั้นเลย ติดตามให้ผลไปแหละเรื่องมันนะไม่ใช่ว่าพอทําผิดลงไปแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นอย่างนี้มันมันจกไม่มีโทษมันจกไม่ความผิดอันนั้นจกไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่เนะื้อย่าไปเข้าใจผิดเราทําความชั่วล่วงพุทธบัญญัติไปแล้วนะั้น มันจะมีใครรู้เห็นก็ตามไม่มีใครรู้เห็นก็ตามมันก็มีโทษ อ, อยู่ในตัวนั่นแหละคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักปวดก็ตามเป็นคราหัดก็ตามแหละก็เมื่อตอนเองรู้ตัวเองอยู่อย่างนี้นะแล้วอย่างนี้นี่ เมื่อรู้ตัวเองแล้วยังไม่ยอมรับผิดอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นผู้ชอบกับบาปอากุศลนั่นน่นนะก็ยึดเอาบาปอากุศลนั่นไว้และจะไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนี่ขอให้พานเข้าใจคำว่าเพียรละบาปนั่นนะตามที่วุยเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ในความเพียรสี่อย่างนั่นนะ นั่นไงให้พึ่งเข้าใจอย่าไปปกปิดความชั่วไว้ให้พึ่งสารภาพต่ออืท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งซึ่งตนเคารพนับถือหรือว่ามีเอเพศเดียวกันมีความหวังดีเหมือนเหมือนกันอย่างนี้นะหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่าตนเช่นอย่างญาติโยมกับพระเจ้าพระสงฆ์เน่ยเนี่ย ญาติยยโยมก็ถือว่าพระสงฆ์นีนะ่มีคุณวุฒิสูงกว่าเราจะนั้นจริงได้มาขอสมทานสินด้วยแต่การสมทานสินสมัยนี้นะมันกลายเป็นประเพณีไปแม่นว่าไม่ได้ล่วงสินแม้แต่ข้อเดียวก็สมทานอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่าประเพณี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 ตามหน้าที่ของใครของเราผู้เป็นนักบวชก็ทำข้อวัดปฏิบัติของนักบวชผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ทำหน้าที่ของผู้เป็นคฤหัสถ์ ห, หน้าที่ของคฤหัสถ์ก็ขอนขายในทานนี่นั่นแหละขอนขวายในศีลห้าศีลอุโบสถหรือว่ากรรมบทชสิบ เขาบากขอน ข, ขวายนั่นก็เรียกว่าพยายามปฏิบัติตามนั่นเองเนี่ยไม่ร่วงมันเน่ยพยายามสดับตรับฟังคำสั่งสอนของพทธเจ้าอย่าเบื่อหน่ายต่อการสดับตรับฟังเพราะว่าเป็นครือข่าผู้ครองเดือนนี่มันไม่มีเวลาที่จะไปดูาหรับตาลาหรือว่าท่องบนจดจำเอาคำสอนของพทะเจ้าให้ได้มากมาก มันมันไม่มีเวลาเพราะทําแต่การแต่งงานอย่างนั้นเราก็ถือเวลาว่างๆบางครั้งบางคราวออสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเพื่อประดับสติปัญญาของตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้ว